เรื่องพระฉับ พ, พักคีส่งน้ำในที่ไม่สมควรสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีเมื่อส่งน้ำส่งน้ำในที่ไม่สมควรคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรนทนาว่าชะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตร จึงสงน้ำในที่ไม่สมควรเหมือนคฤหัตผู้บริโภคการมบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาจึงตาหนิประนามพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพัก ค, คีจึงสงน้ำในที่ไม่สมควรเหมือนคฤหัตผู้บริโภคกรรมเล่า ครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ